ไมได้อ่านจะเรียกว่าเป็นข่าวหรือว่าผลการวิจัยนะของอเมริกาก็บอกว่าเกือบครึ่งนึงนะของประชากรสหรัฐเนี่ยอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องก็ก็หมายความว่าถ้าจะอ่านฉลากยานะหรือว่าจะอ่านอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวนี่ก็ไม่ค่อยสะดวกเกือบครึ่งนะคงประมาณสัก40 และในจำนวนนี้เนี่ย20เซมีความรู้ในการมีความสามารถในการอ่านเนี่ยต่ำกว่าเด็กป .5 ในอังกฤษนะก็มีปัญหาคล้ายๆกันคือคนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะความสามารถในการอ่านออกเขียนได้นเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปเยอะเลยนี่ขนาดอเมริกานะไม่ต้องพูดถึงเมืองไทยซึ่งการศึกษานี้ก็ กำลังอยู่ในภาวะวิกฤต์นะย่าแย่สาเหตุที่ความสามารถในการอ่านหนังสือเนี่ยนะมันตกต่ำไปมากเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอ่านหนังสือกันน้อยลงเพราะเห็นว่านะมันมีคอมพิวเตอร์มันมีโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้เนี่ยนะ เราดูกันมากกว่าอ่านความรู้เยอะแยะมันก็อยู่ในรูปของคลิปวิดีโอนะเช่น y o u t u เนี่ยเดี๋ยวนี้อยากจะรู้เรื่องอะไรไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้ก็ไปเปิดดูคลิปนะมีแทบทุกเรื่องนะมีกระทั่งวิธีการทำระเบิดปรมาณนนะูวิธีการทำระเบิดนาน า, นานชนิดนี่ก็หาได้จาก y o u t u b นะ ความรู้เนี่ยมันไปปรากฏอยู่ในรูปของอคลิปวิดีโอนี่ก็เยอะแล้วก็ความจำเป็นในการอ่านมันก็มีน้อยลงรวมทั้งความอยากอ่านนะมันก็มีน้อยนะเพราะว่าเนี่ยคนใช้เวลานะจนวนมากเนี่ยไปกับการอยู่หน้าจอจะทาอะไรก็แค่คลิกนะแค่รูปนะ หรือแค่ปาดเนี่ยก็เห็นภาพนะข้อความก็มีข้อความสั้นๆข้อความยาวๆสองสามหน้าคนไม่อา่านละก็จะอ่านแค่สองสามบรรทัดหรือว่าสองสามย่อหน้าฉันท่านในการอ่านเนี่ยมีน้อยลงเดี๋ยวนี้อ่าหลายเพจเนะหรือหลายเว็บเนี่ยเวลาจะรายงานข่าว เขาก็จะมีการเขียนข้อมูลกำกับว่าบทความชิ้นนี้หรือข้อความชิ้นนี้ใช้เวลากี่นาทีนะสองนาทีสามนาทีอ่าถ้าบอกว่าห้านาทีนี่คนก็ผ่านแล้วนะกจุงนี้เนี่ยความจำเป็นในการอ่านเนี่ยดูเหมือนมีน้อยลงและเวลาที่จะให้กับการอ่านมันก็มีน้อยลงคนก็เลย ความสามารถในการอ่านก็เลยนะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนี่ยังไม่ถึงยังไม่ยังไยังไม่ได้พูดถึงการเขียนนะเขีย น, นยิ่งแยกเข้าไปใหญ่และสมัยนี้เนี่ยจะ ต, ติดต่อสื่อสารกับใครเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้การเขียนละใช้การพูดเอาพูดทางโทรศัพท์นะพูดผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านโปรแกรมโซเชียลมีเดียเฟซ o o ๊กไลน แล้วเดี๋ยวนี้มันมีแอปที่สามารถจะสั่งได้ด้วยเสียงในเฟ e บุ๊กในไลนเนี่ยถ้าเราไม่มีเวลาเขียนนะหรือเราไม่สะดวกที่จะเขียนนะเราก็พูดนะมันจะมีโปรแกรมที่เปลี่ยนคำพูดไลา์เป็นข้อความแล้วมันก็ฉลาดนะเราพูดภาษาไทยนะอักษรไทยก็ปรากฏ เราพูดภาษาฝรั่งนะอักษรฝรั่งก็ปรากฏเช่นช่วยใช้คําว่าคนเดี๋ยวนี้อีโก้สูงเนี่ยนะคําว่าอีโก้เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะที่เหลือนี่เป็นภาษาไทยเนี่ยมันแยกได้แต่มันยังงงๆนะเวลาบอกว่าวัดป่าสุกโตเนี่ยนะหรือว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันงงเลยอะไรนะหรือว่าอริยสัจสี่อาจจะเริ่มอาจจะคล่องแคล่วขึ้นหน่อยเพราะคนใช้เยอะ แล้วถ้าเป็นโปรแกรมหรือแอปแบบนี้เนี่ยมันทางานได้ดีขึ้นไวขึ้นนะคนจะเขียนหนังสือไปทำมานะต่อไปจะเขียนบทความนะก็พูดใส่นะใส่แอปมันก็จะถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือเลยอันนี้ก็ดูเหมือนว่าสะดวกสบายดีนะเร็วแต่ว่าข้อเสียคือมันทำให้ทักษะในการอ่านออกเขียนได้ของเราเนี่ยลดน้อยถอยลง ถึงแม้โลกเนี่ยมันจะพัฒนามาเยอะนะเราจะใช้เสียงนะสั่งโปรแกรมต่างๆแต่การอ่านออกเขียนได้ก็ยังสำคัญนะเพราะว่าความรู้ส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในรูปหนังสือหนังสือเนี่ยเราจะถอดความรู้มาได้ก็ต้องอ่านเป็นก่อนหนังสือที่บรรจุความรู้ที่ลุมลึกเนี่ยนะยังมีอยู่เยอะนะที่ ยังถ่ายทอดออกมาเป็นคลิปวิดีโอไม่ได้ดังนั้นคนเราเนี่ยถ้าไม่มีความสามารถในการอ่านหรืออ่านไม่คล่องนะในการที่จะมีความรู้งอกเงยเนี่ยก็ยากก็รู้ได้แต่เรื่องพื้นๆ น, น, นะเมื่อคนสมัย2อ0สปีก่อนเขาอ่านออกเขียนไม่ได้เขาก็ยังอยู่ได้ทํามากินได้แต่ว่าจะให้เขานะปรับตัวเข้ากับโลกสมัยใหม่ก็ยาก สมัยนี้ถึงแม้เขาบอกว่าเนี่ยเมืองไทยจะอยู่ในยุค 4.0 หรือว่าขึ้นลูกที่สามการอ่านออกเขียนได้ก็ยังสําคัญเรานึกอะไรได้เนี่ยนะจะอัดใส่เครื่องบันทึกเสียงเนี่ยมันก็ไม่ดีเท่ากับเราเขียนเพราะการเขียนเนี่ยมันก็ทําให้เราไดา้ครุ่นคิดไปด้วยตอนนี้เป็นปัญหามากนะสำหรับนักเรียนในเมืองไทย อ่านออกเขียนได้นี่ยิ่งแย่ขึ้นไปใหญ่จบป .6 แล้วก็อ่านไม่ได้เลยก็มีเยอะเขียนก็เขียนได้แต่ชื่อของตัวเองเรื่องก็จะเป็นอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะต่อไปก็จะลามไปถึงเด็กในเมืองแล้วก็จะค่อยๆไต่ระดับนะจากเด็กป .6 ไปเด็กม .1 ม .2 นะอ่านออกก็ไม่ค่อยคล่องเขียนก็ไม่ค่อยได้แล้วจะไปทำมาหากินอย่างไรนะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยนะ ก็ยังต้องใช้การอ่านออกเขียนได้เนี่ยเป็นเครื่องมือนะในการทังหาความรู้และการประกอบวิชาชีพนะดั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะมันต้องกลับมาสู่เรื่องพื้นฐานเลยยิ่งจําเป็นมากขึ้นเขาเรียกว่า back to basic นะจะต้องอ่านหนังสือกันให้คล่องขึ้นเขียนให้ไวขึ้นสะดวกขึ้นหรือคล่องนะแต่นี่แค่เรื่องเดียวนะอ่านออกเขียนได้ยังไม่พอมันต้องคิดเป็นด้วย คิดเป็นคิดเก่งไม่ใช่ทองเอาอันนี้ก็เป็นปัญหาของเด็กไทยเหมือนกันรวมนักผู้ใหญ่ไทยด้วยเดี๋ยวนี้จะให้เขาตั้งคำถามเนี่ยนะแค่ตั้งคำถามนี่ยังถามก็ไม่ค่อยเป็นเลยนึกไม่ออกว่าจะถามอะไรฟังมาเป็นชั่วโมงเนี่ยไม่ว่าจะฟังธรรมะหรือฟังคำบรรยายพอบอกว่าเนี่ยลองตั้งคำถามเลแม้แต่จ ะ, ะคิดคาถามขึ้นมาเนี่ยก็ยังคิดไม่ออก หรือไม่สามารถจะก่อเรียงความเรียงคำเป็นประโยคคำถามได้อันนี้ก็แสดงว่าแย่แล้วนะมันแสดงว่ายัางคิดไม่เป็นรวมทั้งการเรียบเรียงถ้อยคำเนี่ยก็ทำไม่ค่อยได้เพราะว่าขาดความสามารถในการอ่านออกเขียนไดนะ้อันนี้สาคัญมากคิดเป็นอย่างไม่พอนะมันต้องรู้จักรู้ทันความคิดด้วย เพราะว่าความคิดของเราเนี่ยที่ ค, ค, ค, คิดกันมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการปรุงแต่งของกิเลส ก, ก็ได้กิเลสมันก็หาเหตุผลแล้วก็ชักชวนให้เราเผลอให้เราหลงคนที่ทำชั่วเนี่ยผิดศีลเนี่ยก็ริ่แล้วแต่มีเหตุผลนะดูมาว่าเขาทำด้วยความอยากไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะหรือความกลัวแต่ว่ามันจะมีเหตุผลมารองรับสนับสนุนความ อยากหรือกิเลสนั้นด้วยเช่นคอร์รัปชันก็เพื่อจะเอาเงินไปช่วยเหลือประเทศชาติน ะ, ะได้ไปสร้างพรรคการเมืองที่เข้มแข็งมีฐานประชาชนที่กว้างขวางนี่ก็ว่าไปนักการเมืองก็อ้างเหตุผลแบบเนี้ยในการคอร์รัปชันเพื่อชาตินะหรือไม่ก็คอร์รัปชันนะโกงเพื่อจะได้นะเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวบางคนก็บอกเพื่อจะได้หายจนนะความจนมันน่ากลัวมาก นะแต่ที่จริงตัวเองไม่ได้กลัวจนหรอกนะแต่กลัวไม่รวยมากกว่านะไอ้ที่ชีวิตความเป็นอยู่ก็เรี่ยงพ้นจากความจนไปนานแล้วแต่ว่ายังรวยไม่พอตังหงาไอ้ที่บอกว่ากลัวจนนะจริงไม่ใช่แล้วนะกลัวไม่รวยมากกว่าหรือว่ากลัวว่าจะรวยน้อยกว่าคนอื่นมากกว่ากลัวจะลอกกลัวว่าจะรวยน้อยกว่าเพื่อนบ้านหรือคนร่วมรุ่นนะเนไงกินเลนมันก็ หาหาเหตุผลหาข้ออ้างที่สวยหรูมาเพื่อหลอกให้เราทําชั่วผิดศีลนั้นคิดเป็นไม่พอเนาะบางคนที่คิดคิดเป็นนาะแต่ว่าไอ้ที่คิดเนี่ยมันคิดเพื่อที่จะไปสนองกิเลสมันต้องรู้ทันกิเลสด้วยรู้ทันความคิดนะรู้ทันกิเลที่มันปรุงแต่งความคิดคิดเก่งไม่พอนะต้องวางความคิดได้ด้วยเพราะคนที่คิดเก่งเนี่ยคิดจนหัวแตกนะคิดจนบ้าก็มี เพราะว่าไม่รู้จักวางความคิดหรือว่าหยุดคิดไม่เป็นอันนี้ก็เป็นเบสิกเหมือนกันนะที่มักจะหมองถูกมองข้ามไปเราก็สอนแต่ว่านะให้คิดเก่งคิดเป็นนะแต่ว่าไม่รู้ทันความคิดแล้วก็วางความคิดไม่ไม่เป็นอันนี้ก็เรียกว่าเอาตัวไม่รอดนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่างมีคำพูดว่าเนี่ยสารวจ ว, ว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอด เชื่อตัวไม่รอก็เพราะว่าโดนความคิดมันหลอกไปเชื่อความคิดทุกอย่างเท่าทั้งที่มาเป็นความคิดที่ถูกชักใยด้วยกิเลสด้วยอวิชชาหรือด้วยความหลงด้วยอารมณ์ที่เป็นอกุศลอันนี้ก็เป็นทักษะพื้นฐานที่เราต้องมีนะต้องสอนตั้งแต่เด็กเล ย, ยว่าอ่านออกเขียนได้ดีแล้วนะคิดเป็นดีแล้วนะแต่ว่าต้องรู้ต้องรู้ทันความคิดด้วย คิดเก่งนี่ดีแล้วนะแต่ต้องรู้จักวางความคิดด้วยอันนี้มันเป็นพื้นฐานนะของการที่จะอยู่ในโลกนี้แล้วก็อยู่ท่ามกลางผู้คนอย่งมีความสุขรวมทั้งอยู่กับตัวเองก็มีความสุขด้วยแต่ว่าที่พูดมานี่มันจะหวังเกินไปไหมเพราะว่าแม้กระทั่งเรื่องพื้นฐานง่ายๆอ่านออกเขียนได้เนี่ยนะซึ่งมันจาเป็นสำหรับการอยู่รอดในโลกนี้เดี๋ยวนี้ก็ขาดแคลนกันเยอะแล้ว มีสถิตินะพบ ว, ว่าเนี่ยคนที่ในอเมริกานะสองในสามของคนที่ความรู้ต่ํากว่าปสีหรือระดับตามความรู้ต่ากว่าความรู้แค่ระดับปถมเนี่ยนะสองในสามนะติดคุกหรือไม่ก็ต้องอยู่ได้ด้วยสวัสดิการของรัฐมันแปลว่าอะไรแปลว่าความสามารถในการอ่านออกเขียนได้นี่มันสําคัญมากในการที่จะทํามาหากินได้หรือว่าเลี้ยงตัวให้อยู่รอดได้นะถ้า ทำถ้าความความรู้ทักษะในการอ่านออกเขียนได้ตกต่ำ ม, มากนี่ทามากินไม่ด้ก็ต้องไปเป็นโจร น, นะไปลักขโมยก็ติดคุกหรือมิชนะก็ต้องแ บ, บมือของเงินนะจากรัฐนะสวัสดิการนั่นเมืองนอกนะเมืองไทยก็ก็กำลังจะไปสู่จุดนั้นนะคือถ้าอ่านไม่คล่องเขียนไม่ได้นี่ก็ยากนะสุดท้ายก็เข้าสู่วังวนนะของอบายมุขเช่น เร่การพ น, นันค้ายาหรือไม่ก็ลักขโมยหรือไม่ฉะนั้นก็โกงคอร์รัปชันอะ้วก็อ่ะตอนนี้อ่ะเตรียมรับผ่อนิชิตังปฏิตังตุมฮังขอยทธาพรเท่านปาธนาและตั้งใจและเยบาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรสาเพบุเรนตุสังกับปาขอความดำรีทั้งพวงจงเต็มที่ ฉันโทปันนราโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมานิโชติราโสยตาเหมือนแก้มมานิอนสว่างสวยควรยินดีสาภิตโยพิวะฉันตุว่านจันไรทั้งพวงจงความงารไปสาพาโรโควินาสตุโรคทั้งพวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตารายามีแก่ท่าน สุขีธีขาโยโกภวาต่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อ, อาภิวาทานาสิริสนิจังุณาปัจจ า, ายนโนจตาโหธรรมาวะทานทีอายุวันโนสุขังภาราสามสี่ภาคานคืออายุวันณาสุขะภาราย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิ อาวัตุสาภังคัลลสาภะมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาภเทวตาอหลาเทวดาท้งววรจงรักษาตาสาภะปุานุ a าเณนะวยอนุภาแห่งพระปุทาจาสาภาธรรมานุภาเณนะโยอนุภาแห่งพระธรรมสาภะสังขานุภาเณนะวยอนุภาแห่งพระสง าาาสาธาโสทิราวันตุเทขอความสวัสดีทั้งหลายยงมมีแก่ท่านดูมื่อเถิด